มะจากพระผู้รู้ตอนที่24โดยสันตินันหรือพระปราโมทปาโมชโชในปัจจุบันสําหรับฉบับนี้ทางทีมงานได้คัดบทความจากการถามตอบในอินเทอร์เน็ตโดยหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชในสมัยที่ท่านยังเป็นคารวาะซึ่งใช้ชื่อว่าสันตินันนะครับ สรุปประเด็นคำถามให้ฟังก่อนดังนี้ 1. รู้สึกคนทั่วไปไม่สนใจธรรมะพอที่จะพูดคุยด้วยได้เลย 2. เล่าเรื่องผลของการปฏิบัติจิตอุทานเองว่าผัสสะคือโลก 3. เล่าเรื่องการปฏิบัติดูจิตโดยการเปิดเพลงฟัง 4. เกิดมาทำไมเดี๋ยวก็แก่แล้วก็ตายงั้นตายเลยดีมะจะต้องทนอยู่ทำไมห ติดใจคำว่าฝันทั้งที่กำลังตื่นหลงว่ารู้ตัวทำอย่างไรจะตื่นและรู้ว่าหลง 6. อย่างไรคือการทำสมาธิและวิปัสสนา 7. ทางสายกลางทำอย่างไรถึงจะเป็นกลางสำหรับผู้ที่สนใจการปฏิบัติธรรมแนวนี้นะครับสามารถติดตามงานทั้งหมดอ่านและดาวโหลดเสียงเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทามโมโชได้ฟรีที่วิมุติ n e t w i m u t i n e t หรือไปขอซีดีฟรีได้ที่หน้าธรรมทานเว็บไซต์ลานธรรมหรือ c ีดีธรรมะคอนะครับเชิญรับฟังกันได้เลยครับถามทุกวันนี้เพื่อนๆที่แวดล้อมเราอยู่และผู้คนที่เราครบไปมาหาสู่กันเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน ไม่มีใครสนใจธรรมะเพียงพอที่เราจะสามารถพูดคุยด้วยได้เลยกัญยานามิตรทางธรรมมีแต่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นรู้สึกว่าในชีวิตจริงของเราไม่ค่อยมีคนที่จะพูดในเรื่องที่มีสาระของชีวิตด้วยจริงๆได้เลยครับที่จริงคนในสังคมใช้ว่าเขาจะเลวร้ายหรือปฏิเสธธรรมะเสมอไปการที่เขาดํารงตนอยู่ในกรอบของจริยธรรมไม่เบียดเบียนทําร้ายใคร แม้เขาจะไม่สนใจการปฏิบัติธรรมจริงจังแต่เขาก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วในระดับหนึ่งเพียงแต่เราอาจจะมองข้ามไปจึงคิดว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมบางคนไม่เคยตักบาตรบริจาคทานแต่เขาทําทานโดยการรู้จักให้อภัยผู้อื่นบางคนขี้เล่าเมายาแต่รักษาสัตจะและเสียสละเพื่อหมูนะ่คณะถ้าเรามองเขาออกว่าเขาปฏิบัติธรรมอะไรอยู่บ้าง และไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องปฏิบัติเหมือนเราเราก็จะพบว่าคนรอบตัวเรานั้นปฏิบัติธรรมกันอยู่มากมายพอดูทีเดียวเราสามารถเลือกสนทนาธรรมที่เหมาะกับเขาหรือยกระดับเขาขึ้นอีกนิดหนึ่งโดยไม่ต้องพูดถึงคำว่าธรรมะถ้าเรามองโลกด้วยความรักและความเมตตาจริงๆบางทีเราจะพบว่ากระทั่งสัตว์บางตัวก็มีธรรมะบางอย่าง อย่างผมเคยมีสุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขที่ผมเคารพนับถือคุณธรรมบางอย่างของเขาคือเขารู้จักให้ทานรู้จักให้อภัยรู้จักอดกลั้นแม้แต่กับลูกสุนัขและลูกแมวที่ระรานเขาถ้าเห็นเช่นนั้นเราจะไม่เงียบเหงาว่าเวเรารู้สึกว่ามีเราคนเดียวที่ปฏิบัติคนรอบตัวไม่ปฏิบัติและถ้าอยากจะมีเพื่อนมากๆ ก, ก็อย่าลืมคุณธรรมี่ประการคือ การให้การพูดให้น่ารักการทำตนให้เป็นประโยชน์และการมีความเสมอต้นเสมอปลายทุกวันนี้ผมมีเพื่อนเฉพาะในที่ทำงานและเพื่อนบ้านไม่มีเพื่อนเที่ยวเตร่เฮฮาแต่เพื่อนในทางธรรมมีมากจนนับไม่ถูกครับเพราะอาศัยคุณธรรม4ี่ประการนั่นเอง ต่อไว้เมื่อ20สิงหาคมพุทธศักราช2542ถามมีเรื่องอยากจะมาบอกเล่าสู่กันฟังเล็กน้อยครับวันหนึ่งขณะที่อยู่บนรถใจจับอยู่กับภาพของลิ้นที่ปรากฏแล้วมันก็ค น, นึงไปถึงเรื่องของรถที่สัมผัสแล้วก็เริ่มพึงว่า ลิ้นก็อันเล็กๆเท่านี้ยแต่รถที่ลิ้นสัมผัสกลับยิ่งใหญ่นักครอบโลกครอบแผ่นดินนี้นี่เป็นเพียงเพราะเรารู้ไม่ทันเท่านั้นเองหากเรามีสติดำรงอยู่ทุกเมื่อแล้วรถจะครอบงาเราไม่ได้นานมาแล้วเคยสงสัยว่าโลกคืออะไรลองคิดพิจารณาในเรื่องของโลกจนใจเองนั้นอุทานว่าผัทธะคือโลกในวงเล็บ ตรงนี้มีพระพุทธดํารจัดรัสเอาไว้ด้วยว่าผัสสะคือโลกมาพบในภายหลังก็เลยทําให้รู้ขึ้นมาอีกว่าเพราะเรารู้ไม่เท่าทันในผัสสะนี่แหละผัสสะจึงได้หลอกเอาผัสสะคือโลกโลกคือผัสสะความรู้ไม่เท่าทันผัสสะคือความรู้ไม่เท่าทันโลกถ้าจะกล่าวสาธุเฉย ก็รู้สึกจะน้อยไปหน่อยกับความเพียรของคุณจึงของกล่าวเพิ่มเติมเล็กน้อยครับเรื่องเหล่านี้ผมเคยพิจารณามานานนักหนาแล้วแท้ที่จริงโลกที่ว่าใหญ่นั้นเราสัมผัสมันได้เพียงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเช่นภาพของโลกทั้งโลกทั้งจักรวาลที่เราเห็นได้ก็เพียงแค่แสงสะท้อนของวัตถุเหล่านั้นเท่านั้นเราไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆังอะไรเลย เสียงที่ได้ยินก็เพียงความสะเทือนที่แก้วหูนิดเดียวเท่านั้นกลิ่นในโลกมีมากก็ได้กลิ่นเพียงนิดเดียวรสก็สัมผัสได้เพียงนิดเดียวและซ้าๆซักๆสิ่งที่มาสัมผัสทางกายแม้จะมีได้มากมายแต่ที่มาสัมผัสเราจริงๆก็มีนิดเดียวยิ่งความคิดนึกทั้งหลายกระทั่งคิดจะเป็นเจ้าโลกมันก็เป็นเหมือนภาพลวงตาเหมือนความฝันที่จิตคิดปรุงเอา ไม่ได้เกี่ยวกับโลกเลยเราสัมผัสโลกได้นิดเดียวแต่ความอยากมันมากกว่านั้นมากนะักดังนั้นชีวิตจึงเต็มไปด้วยความไม่สมอยากและความสามารถในการเสพของคนเราก็มีนิดเดียวแต่ความต้องการเสพนั้นมันไม่สิ้นสุดเราสัมผัสโลกได้นิดเดียวโลกมันก็เป็นโลกของมันอยู่อย่างนั้นแต่เรากลับคิดว่าเราเป็นเจ้าของครอบครองอะไรอะไรตั้งมากมายทั้งที่กายของตนเอง ก็ครองไว้ไม่ได้จริงตอบไว้เมื่อ20สิงหาคมพุทธศักราชสองพถามผมใช้วิธีการเปิดเพลงเพราะๆแบบที่ตัวเองชอบฟังแล้วมีความสุขแต่ลองยากใจออกมาอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวผู้รู้และสังเกตดูจิตที่กำลังเป็นสุขไปกับเสียงเพลงทำอย่างนี้ได้กับอารมณ์าซาบซึ้งแล้ว ก็ฝึกดูจิตกับอารมณ์อื่นๆต่อไปเรื่อยๆจะทำให้ได้เรียนรู้ธรรมชาติของจิตมากขึ้นเข้าใจแบบซึมซาบได้มากขึ้นแล้วจิตจะคลี่คลายตัวเองวันวหวน้อยลงและไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดหัวใจได้ง่ายๆกับอะไรๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกอุบายของคุณเข้าทีเชียวครับการที่เราดูจิตนั้นอย่าไปกังวลว่าสิ่งที่ถูกรู้จะดับหรือไม่ดับ เพราเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับสิ่งที่ถูกรู้หากแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้สิ่งที่กําลังปรากฏด้วยจิตใจที่เป็นกลางก็จะเห็นเองว่าสิ่งนั้นแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาอย่าไปกังวลว่าในขณะนั้นจิตจะเป็นทุกข์และพยายามดับทุกข์เพราะเราไม่ได้ดูจิตเพื่อดับทุกข์หากแต่ดูเพื่อให้รู้ความจริงว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรดับไปได้อย่างไรซึ่งเมื่อดูนานเข้าจะประจักษ์ชัดว่า ทุกเกิดขึ้นเพราะจิตหลงและไหลไปยึดอารมณ์นั่นเองเมื่อจิตรู้ความจริงแล้วจิตก็ย่อมหาทางพ้นทุกข์ของเขาเองเรามีหน้าที่รู้เท่านั้นที่จริงจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์แม้อารมณ์อยากจะดับไปเช่นดูแล้วความโกรธ ด, ดับไปความรู้สึกเฉยเฉยไม่มีอะไรที่บางคนบอกว่าว่าง ที่เข้ามาขั้นก่อนที่อารมณ์อยากตัวใหม่จะจรมาอันนั้นก็คืออารมณ์อีกตัวหนึ่งจิตไม่เคยปราศจากอารมณ์เราปฏิบัติก็ไม่ใช่เพื่อให้จิตรู้อารมณ์แต่ปฏิบัติเพื่อให้จิตฉลาดไม่หลงอารมณ์ที่กําลังไปรู้เข้าที่ว่าจิตฉลาดก็คือจิตเข้ารู้อริยสัจคือรู้ว่าถ้าเมื่อใดจิตอยากจิตยึดจิตก็ทุกข์ ถ้าจิตสักแต่รู้ไม่อยากไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆครับอย่าไปคิดมากจนซับซ้อนเลยครับคำตอบตอบไว้เมื่อ22สิบงสิงหาคมพุทธศักราช2542ถาม คนเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรเกิดมาก็เรียนเรียนจบก็ทำงานทำงานแล้วก็แต่งงานแต่งงานแล้วก็มีลูกมีลูกแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายเจ็บแล้วก็ตายนี่หรือคือชีวิตชีวิตมีอะไรมากกว่านี้ไหมถ้าไม่มีแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อีกทำไมตายเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องทนทุกข์กั บ, บวงจรที่ว่ามาคำถามเรื่องเกิดมาทาไมเป็นคาถามยอดนิยม แต่หาคำตอบที่แน่นอนตายตัวไม่ได้เพราะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีปณิธานของตัวเองถ้าเราสังเกตจิตใจของเราให้ดีเราจะพบว่าที่เราถามคำถามนี้ก็เพราะเรารู้สึกอย่างแน่นแฟนว่าเรามีอยู่เราเกิดมาแล้วเราจะทำอะไรดีเพราะความสำคัญมั่นหมายอย่างจริงจังในความมีอยู่ของเรานี่แหละจึงเกิดทิฏฐิหรือความเห็นต่างๆขึ้นมามากมาย เช่นในวงเล็บเราตายแล้วเกิดในวงเล็บเราตายแล้วศูนย์สิ่งนี้สมควรแก่เราสิ่งนี้ไม่สมควรแก่เราไปยานใหญ่ผู้สนใจพระพุทธศาสนานั้นแทนที่จะนั่งคิดว่าเราเกิดมาทำไมในวงเล็บซึ่งจะได้คําตอบที่วนเวียนหาข้อยุติแน่นอนไม่ได้เพราะเป็นเพียงเรื่องของความคิดเห็นวงเล็บปิด ลองเปลี่ยนเป็นการศึกษาพิจารณาลงไปในสิ่งที่เห็นว่าเป็นเราคือกายกับใจหรือขันห้านี้เพื่อแยกแยะออกมาให้เห็นชัดๆว่าเรามีอยู่จริงหรือไม่อย่างนี้จึงจะได้ประโยชน์เต็มที่จากพระพุทธศาสนาครับอันนี้ผมเสนอในจุดยืนของชาวพุทธเท่านั้นครับแต่ไม่ใช่ว่าคำถามของท่านไม่ดีเพราะคำถามว่าเกิดมาทาไมนั้นดีแน่ นักปราชทั้งหลายจึงถามกันมาโดยตลอดเพียงแต่ถามแล้วมันหาข้อยุติที่ชี้ว่าเป็นความจริงไม่ได้เพราะจะได้เพียงความเห็นเท่านั้นตอบไว้เมื่อ25สิงหาคมพุทธศักราช2542 ถามติดใจกับคําว่าฝันทั้งที่กําลังตื่นหลงว่ารู้ตัวทําอย่างไรถึงจะตื่นจริงๆตื่นทันทีแบบไม่งัเงียครับและทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าหลงกลัวจะหลงลึกไปเรื่อยๆแบบเข้ารกเข้าโพงครับความไม่รู้จริงทําให้เรามองขันห้าเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งอันเดียวกันในวงเล็บด้วยคณะสัญญาหมายเหตุคณะสัญญาสะกดด้วยคอร์ครังและนอนหนู คือทั้งกายทั้งจิตนี่แหละรวมตัวเป็นตัวเราแต่เมื่อได้เริ่มมีปัญญามองตัวเรากระจายออกเป็นขันห้าอาจจะเริ่มมองจากรูปหรือกายบวกนามหรือรู้กระจายต่อไปเป็นรูปคือกายบวกนามเจตสิก ค, คือเวทนาสัญญาสังขารบวกนามจิตหรือพูดง่ายๆว่าขันทั้งห้าถูกมองอย่างกระจายออกจากกัน ความเห็นผิดว่ามีตัวเราก็จะถูกทำลายไปการที่จะสามารถมองตัวเราตามความเป็นจริงคือกระจายเป็นขันห้าได้นั้นก็อาศัยการจเจริญสติปัฏฐานนั่นเองเช่นเริ่มจากการรู้กายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถย่อยโดยนามรู้หรือจิตผู้รู้เป็นคนละส่วนกับกายที่ถูกรู้ แค่นี้ก็เริ่มแยกขันแล้วครับเมื่อชำนิชำนานมากขึ้นพอมีเจตสิก ค, คือเวทนาสัญญาสังขารเกิดก็สามารถรู้ว่ามันแยกออกไปเป็นคนละส่วนกับจิตได้อีกและบรรดาสิ่งที่ถูกรู้ทั้งปวงนั้นก็แสดงความไม่ใช่เราออกมาต่อหน้าต่อตานั่นเองผมเคยยกตัวอย่างให้พวกเราฟังกันบ่อยๆคือเรื่องการรู้ความสงสัย โดยให้รู้เข้าไปที่ความรู้สึกสงสัยเลยทีเดียวและจะเห็นทันทีว่าความสงสัยไม่เที่ยงคือระดับความเข้มของความสงสัยจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตลอดเวลาดูนานๆไปความสงสัยก็จะดับไปอันนั้นมันแสดงทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ให้เราเห็นแล้วและไม่ว่าความสงสัยจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปความสงสัยก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ถูกดู ไม่ใช่เราไม่มีความเป็นเราในความสงสัยนั้นอันนี้คือการแสดงอนัตตาให้เห็นต่อหน้าต่อตาธรรมะเหล่านี้แสดงอยู่ในกายในจิตของเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยฟังธรรมะในจิตของเราเองด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะเราชอบฟังกันแต่ธรรมะที่อาศัยตาดูหูฟังคำสั่งสอนของผู้อื่นเท่านั้นซึ่งทำให้ไม่เคยเห็นสภาวะด้วยตนเอง จึงไม่สามารถบรรลุมรรคผลกันได้จิตที่หลงฝัน ท, ทั้งที่ลืมตาก็คือจิตที่หลงไปในความคิดไม่รู้สภาพธรรมะคือรูปหรือนามที่กำลังปรากฏเช่นจิตเกิดความสงสัยก็ไม่รู้ว่าสงสัยแต่กลับหลงคิดเพื่อหาคำตอบมาแก้ความสงสัยนั้นมานหรือกิเลสนั้นกลัวว่าเราจะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเอาตัวรอดได้ มันจึงหาอะไรอะไรมาล่อให้เราลืมตัวเผลอคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆตรงนี้มันละเอียดพอสมควรครับผมจึงกล่าวว่าที่เห็นมาจากประสบการณ์นั้นผู้ปฏิบัติส่วนมากกำลังเผลอฟุ้งซ่านไปบ้างกำลังเผลอเพ่งอารมณ์บ้างที่จะมีความรู้ตัวรู้ศักแต่ว่ารู้อารมณ์จริงๆนั้นหายากเหลือเกินครับยิ่งคนที่คิดว่ากาลังกาหนดรูปนามนั่นแหละสาคัญนัก ส่วนมากกำลังหลงเพ่งรูปเพ่งนามแต่คิดว่าสักว่ารู้อยู่อาการของจิตระหว่างรู้เผลอและเพ่งนั้นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเข้าใจจำแนงตรงนี้ได้ก็จะปฏิบัติได้ง่ายขึ้นมากครับตอบไว้เมื่อ27สิงหาคมพุทธศักราช2542 ถามเพิ่งเริ่มศึกษาธรรมะได้ไม่นานไม่ค่อยเข้าใจครับว่าสมาธิเป็นการทําจิตใจให้สงบวิปัสสนาเป็นการเจริญสติให้หลุดพ้นด้วยปัญญาไม่ทราบเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าครับและจะทราบได้อย่างไรว่าอันไหนคือการทําสมาธิหรือวิปัสสนารู้สึกเห็นใจและเข้าใจความยากลําบากในการทําความเข้าใจธรรมะของผู้เริ่มศึกษา เพราะนึกถึงสมัยที่ตนเองต้องตะเกียกตะกายศึกษาธรรมะก็พบความลำบากมากเหมือนกันไหนจะเป็นศาสตร์ที่ไม่เคยรู้จักไหนจะมีศัพท์เทคนิคมากมายสมาธินั้นทำเพื่อให้จิตสงบครับหลักการมีสั้นๆเพียงแค่ว่าทำอย่างไรให้จิตไปจดจ่อสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องเช่นคำบริกรรมลมหายใจการเคลื่อนไหวร่างกายซ้าๆ เคล็ดลับที่จะทําให้เกิดความสงบง่ายๆก็มีครับขอยาตั้งใจบังคับจิตรุนแรงเกินไปให้รู้อารมณ์อันใดอันหนึง่งไปอย่างสบายๆจิตจะรวมสงบลงเป็นสมาธิได้ง่ายครับคราวนี้การที่จิตรวมลงเป็นสมาธินั้นมันมีสองลักษณะถ้ารวมลงไปแล้วยังมีสติสัมปชัญญะมีอุเบกขาอยู่อันนั้นจัดเป็นสัมมาสมาธิ หากสงบลงไปแล้วเกิดความเคลือบเคลิมจิตจมแช่อยู่ด้วยราคะความพอใจในความสุขสบายหรือเคลือบเคลิมลืมตัวด้วยอำนาจของโมหะอันนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิสำหรับวิปัสสนานั้นมีหลักการคือผู้ปฏิบัติจะต้องรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเคล็ดลับที่จะทำให้รู้ตามความเป็นจริงได้ อยู่ตรงที่เราจะต้องเตรียมจิตให้พร้อมเสียก่อนให้รู้ว่าจิตไม่ใช่อารมณ์จิตเป็นผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตทำตนเป็นเพียงผู้สังเกตการอารมณ์ที่กำลังปรากฏดังที่อาจารย์แนบท่านมักพูดว่าให้ทำตัวเหมือนดูละครอย่าโดดเข้าไปเป็นคนแสดงซิเองคือรู้อารมณ์ใดๆก็สักแต่ว่ารู้อย่าไปอินกับมัน ถ้าจิตเป็นเพียงผู้สังเกตการก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นลำดับลาดับจนรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่ต้องดับไปทั้งสิ้นจิตก็จะเริ่มปล่อยวางความยึดถือในสิ่งต่างๆลงเมื่อแบกไว้น้อยถือไว้น้อยทุกมันก็น้อยลงไปเองครับไม่ต้องไปคิดเรื่องการดับทุกอะไรเลยการจเจริญวิปัสสนานั้นบางทีก็เรียกว่า การเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่การเอาสติเป็นฐานนะครับแต่เอาอารมณ์คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นเครื่องระลึกของสติให้ต่อเนื่องหรือจะเรียกว่าเป็นฐานของสติก็ได้การศึกษาธรรมะก็เหมือนศึกษาศาสตร์อื่นๆนั่นแหละครับตอนแรกที่ยังไม่เข้าใจก็ลำบากบ้างแต่ขอให้มีความพอใจที่จะศึกษาไว้เถอะครับเพราะถ้าพอใจสอย่างเดียว ก็จะเกิดความภาคเพียนความตั้งใจใคร่ครวนที่จะศึกษาไม่นานก็จะเข้าใจได้ครับไม่เหลือวิสัยความสามารถของพวกเราหรอกตอบไว้เมื่อ30สิงหาคมพุทธศักราช2542ถามทางสายกลางทำอย่างไรถึงจะเป็นกลาง ทางสายกลางคือความไม่สุดโต่งในการปฏิบัิ n ั้นต้องพิจารณาเอาที่จิตใจตนเองครับเพราะการปฏิบัติที่เป็นกลางของแต่ละคนไม่เท่ากันวิธีพิจารณาง่ายๆที่พระป่าท่านใช้กันก็คือการสังเกตตนเองว่านอนแค่ไหนจึงจะพอคือไม่ง่วงเหงาเพราะพักน้อยไปไม่ซึมเศร้าเพราะนอนมากไปกินแค่ไหนจึงจะทาความเพียรสบายอยู่ในอิริยาบถใดมากน้อยเพียงใด การปฏิบัติทางจิตจริงคล่องแคล่วแม้กลางที่เป็นพฤติกรรมของแต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่ความเป็นกลางของจิตนั้นเท่ากันทุกคนเช่นเป็นกลางคือเป็นปัจจุบันไม่เอ็นเอียงไปข้างอดีตหรืออนาคตเป็นกลางต่ออารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าไม่หลงยินดียินร้ายและเป็นภาวะที่เหนือดีเหนือชั่วเหนือความปรุงแต่งทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบคือถ้าพบว่า จิตมีกิเลสแล้วเกลียดก็สุดตรงไปข้างหนึ่งถ้าจิตหลงเชื่อวิ่งตามกิเลสก็สุดตรงไปอีกข้างหนึ่งรวมความแล้วก็คือจิตไม่มีความสุดตรงในทุกๆด้านระหว่างธรรมะที่เป็นคู่ทั้งหลายสำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นที่ละเอียดเข้าไปนั้นนอกจากรู้แล้วก็ไม่ใช่ความเป็นกลางเพราะในสภาวะรู้นั้นศีลเป็นศีลอัตโนมัติ สมาธิและปัญญาก็ประชุมลงที่เดียวกันเป็นอัตโนมัติไม่ไหลไปสู่อดีตและอนาคตเป็นกลางปราศจากความยินดียินร้ายสรุปแล้วทางสายกลางที่เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องที่ต้องสังเกตเอาเองว่าทำอย่างใดอกุศลจะลดลงกุศลจะเจริญขึ้นส่วนกลางของจิตนั้นเหมือนกันทุกคนคือรู้ที่ไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินยินดีไปกับอารมณ์ หรือเพ่งอารมณ์เพื่อบังคับจิตให้แนบกับอารมณ์อันเดียวที่กล่าวนี้ผมกล่าวในเชิงของการปฏิบัติเพราะในเชิงปริยัตินั้นพวกเราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วทุกคนตอบไว้เมื่อ18กันยายนพุทธศักราช2542บทความจาก นิตยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่24เสียงอ่านโดยอนุสรตรีโซภาเพียงแรกแล้รมันดานปิติเ อ, อนพลพันนาเ